เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรทัทธามีความเมื่อยใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีที่เป็นเหตุนำมาสึ่งความสุขความเจริญ และความห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆวันเข้าพรรษานี้มีความเป็นมาในสมัยพระพุทธการที่ว่ามีชาวบ้านได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องพระภิกษุเดินไปจาริกไปตามสถานที่ต่างๆ แล้วมักจะเดินข้ามทุ่งข้ามนาไปเหยียบพืชไร่ต่างๆที่ชาวนาได้เพาะปลูกเอาไว้สร้างความเสียหายเหลือดร้อนให้แก่ชาวบ้านพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาคือให้อยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกัน ในช่วงฤ ด, ดูฝนที่เป็นช่วงฤ ด, ดูพาะปลูกเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านพระภิกษุในสมัยพระพุทธการนี้จะเป็นพระทุดงกันคือจะไม่อยู่ประจำที่กันท่านจะจาริกไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาสถานที่สงบสงัดเปรียกวิเวก เพื่อจะได้จเจริญสตินั่งสมาธิและเดินจงกรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพระภิกษุส่วนใหญ่จึงไม่ได้อยู่จำที่กันจะไปไหนมาไหนเพราะเมื่ออยู่กับที่ได้สักระยะหนึ่ง <c oughs> ก็จะเกิดความชินชา เกิดความเกียดคร้านเกิดความยึดติดก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสรับรู้อย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องของการความเป็นมาของเรื่องการจำพรรษา จำพรรษาเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องไปค้างแรงที่อื่นด้วยเหตุผลที่จำเป็นเช่นบิดามารดาอุปชาอาจารย์ป่วยไข้ไม่สบายจะไปอุปถามไปดูแลท่านก็อนุญาตให้ไปได้ขั้งละไม่เกินเจ็วัน พอครบเจวันก็จะต้องกลับมาอยู่ที่เดิมถ้าไม่กลับมาก็ถือว่าขาดการจำพรรษาคือฝ่าฝืนภาพบัญญัติของพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันนี้เราถือเทศการเข้าพรรษาคือพุทธบอยสัตย์ถือเรื่องของการเข้าพรรษา ว่าเป็นเวลาที่จะเร่งความเพียรเร่งทาคุณทำความดีเร่งทาบุญสร้างกุศลด้วยการทำบุญให้ทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นปฏิบัติธรรมเจรจิตตภาวนาให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้น ให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นและให้มีความทุกข์น้อยลงไปเพราะชีวิตของเรานี้ไม่มีอะไรจะมีความสำคัญเท่ากับจจิตใจของเราเพราะจิตใจนี้และเป็นที่ตั้งของความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงความสุขทางทุกข์ของทางร่างกายนี้เป็นส่วนย่อย เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขความทุกข์ทางจิตใจจิตใจเวลาทุกข์แล้วต่อให้ร่างกายสุขสบายอย่างไรก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีความสุขใจแล้วต่อให้ร่างกายมีความทุกข์ยากลาบากอย่างไรก็จะไม่สามารถมาลบความสุข ที่มีอยู่ในใจได้ใจที่มีความสุขจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลาบากของร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายหรือความพัดพลากจากสิ่งที่รักหรือประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาใจที่มีความสุขแล้วจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดกับร่างกาย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนให้ความสาคัญต่อใจยิ่งกว่าสิ่งอันใดในโลกนี้ถือว่าใจนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของพวกเราเลยมีความเพราะว่าเป็นสมบัติที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีสมบัติอันใดในโลกนี้หรือแม้แต่ร่างกายที่รักอย่างยิ่งนี้ก็จะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด สักวันหนึ่งเมื่อร่างกายถึงเวลาที่จะต้องดับไปสมบัติต่างๆที่ได้ขวนขวายได้สะสมมาก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปทำมาแทบเป็นท่าตายเวลาไปก็ไปแบบขอทานไปแบบไปแบบไม่ดีดังในนิทานในสมัยพระพุทธการ มีเศรษฐีอยู่ผู้หนึ่งมีความโลภมากอยากร่ำอยากรวยมีเงินมากก็ไม่ยอมแบ่งปันให้ใครไม่ยอมบอกลูกหลานว่าเงินทองที่หามาได้นี้เอาเก็บไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาไปฝังไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่สนใจที่จะรักษาศีลทำบาปไปตามอำเภอใจอยากจะได้เงินได้ทอง ถ้าต้องพูดปดก็จะพูดปดถ้าจะต้องช่อโกงก็จะช่อโกงเมื่อทำบาปและไม่ทำบุญเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายทางนี้ไปเกิดเป็นเดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองเพราะมีความผูกพันกับสมบัติข้าวของเงินทองที่ตนเอาไปฝังไว้ตามสถานที่ต่างๆ วันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จผ่านมาก็ทรงเล่นญาณเห็นว่าสุนัขตัวนี้เป็นเศรษฐีเจ้าของบ้านที่ตายไปแล้วแล้วกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนจึงได้บอกลูกหลานของเศรษฐีว่าให้เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ดีเพราะสุนัขตัวนี้เป็นพ่อของพวกเธอกลับมาเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวไม่นานสุนัขตัวนี้ก็จะพา ไปขุดสมบัติให้กับพวกเธอระดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ไม่นานสุนัขตัวนั้นก็ไปขุดคุ้ยสมบัติต่างๆที่ได้เคยเอาฝังไว้นี่คือความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจไม่มีวันตายเพราะธรรมชาติของจิตใจ ไม่มีวันเกิดจึงไม่มีวันตายสิ่งใดถ้ามีการเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีวันมีการตายตามมาสิ่งใดไม่มีการเกิดสิ่งนั้นก็ไม่มีการตายนี่คือใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้จักคุณค่ามัวแต่ลงกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเรา สิ่งที่ให้ความสุดกับเราให้ความเที่ยงแท้แน่นอนกับเราเรากลับไม่สนใจกันดังนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคอย่างยิ่งของพวกเราที่ได้มาเกิดและได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้คุณค่าของจิตใจของเราเราก็จะหลงเหมือนกับคนที่ไม่มีศาสนา จะหลงกับการหาทรัพสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หลงกับการดูแลรักษาร่างกายอย่างสุดกําลังแต่ไม่ว่าจะดูแลอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะหักห้ามความตายของร่างกายได้หาทรัพย์สมบัติมามากน้อยเพียงไรแทบเป็นแทบตายตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเอาไปได้แต่ความจํา แล้วก็อาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขเหมือนกับนิทานในสมัยพระพุทธการถ้าไม่มันทาบุญไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์แต่ถ้ามันทาบุญรักษาศีลให้บริสุทธิ์เวลาตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ดังที่พระเวชสัมดรนได้ได้รับผล หลังจากที่ได้ทำบุญย่างใหญ่โตมีอะไรใครต้องการอะไรก็ยกให้ไปหมดแม้แต่บุตรทิดาที่แสนรักก็ยังสละให้แก่ผู้ไปได้เพราะใจของพ็ะ อ, องนั้นมุ่งไปที่การดูแลรักษาใจด้วยการสร้างทานบามีทานบามีนี้จะทำให้จิตใจไม่ว้าวุ่นขุ่นบัว ไม่วิตกกังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีมากมีน้อยไม่เดือดร้อนเพราะว่าจิตใจไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็มีความสุขได้และมีความสุขมากกว่าที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมาเพราะเมื่อมีมากก็เกิดความหวงเกิดความโงและเกิดความเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสีย ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองไปแต่ถ้าไม่มีทรัพสมบัติหรือมีอยู่น้อยมากมีเท่าที่จาเป็นต่อการครองชีพเวลาสูญเสียไปหรือเวลาตายจากไปก็จะตายอย่างสงบตายอย่างสบายไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวไม่มีความเสีย อ, อกเสียายแต่อย่างใดเพราะเวชสันดรหลังจากที่ตายไปแล้วจึงได้เเกิด บสวรรค์แล้วหลังจากนั้นเมื่อบุญที่ได้ส่งไปสวรรค์นั้นหมดแล้ว <c oughs> ก็ได้กลับลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมารับผลบุญผลทานที่ได้ทำไว้คือบุญทานที่เราทำไว้นี้เหมือนกับการเอาเงินทองไปฝากไว้ในธนาคารนั่นเองพอเรากลับมาเกิดเราก็จะมาเกิดกับครอบครัวที่มีฐานะ ที่ร่ำรวยเป็นผู้ที่ใหญ่โตในสังคมเช่นเป็นพระมาหากษัตริย์พระพุทธเจ้าก็เลยได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถราชโอรสและได้สวยความสุขของผลบุญที่ตนได้ทามามีทรัพย์มากมายมีประสาทสามฤ ด, ดูมีมี มีบอยสัทมีบริวารมีอะไรต่างๆให้เสพให้ให้เสพให้สัมผัสอยู่ตลอดเวลาแต่พระองค์่งได้บาเพ็ญบารมีอย่างอื่นมาด้วยคือเนกขัมมะบาร ม, รรมีคือการแสวงหาความสงบความสงบของใจด้วยการถือศีลแปด ด้วยการปฏิบัติธรรมก็เลยมีอุปนิสัยที่รักความสงบและก็มีปัญญาเห็นว่าไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเพราะความสุขอย่างอื่นนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเหมือนควันไฟเวลาได้เสพได้สัมผัสก็มีความสุขพอผ่านไปแล้ว ก็อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เสพ จ, จึงทำให้ต้องเสพความสุขต่างๆในโลกนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนคนเสพยาเสพติดเวลาใดที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความหงุดหงิดนำคาญใจเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสัมผัสรับรู้กับความสุขแบบนี้ ความสุขของผู้ที่อยู่ในวังเวลาจัดงานเลี้ยงก็สนุกสนานแต่เวลาที่หมดไปงานเลี้ยงจบไปแล้วก็เหลืออยู่แต่ความอ้างว้างปล่าเปลี่ยวแล้วก็ต้องจัดงานเลี้ยงอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดั้นเนื่องจากสถานภาพของการเป็นราชโอรสหรือเป็นกษัตริย์นี้ก็เสี่ยงต่อภัย คือเสี่ยงต่อผู้อื่นที่อยากจะมาล้มลาม้างอยากจะมาแย่งชิงสถานภาพไปใครเป็นกษัตริย์ก็มีคนอื่นก็อยากจะเป็นกษัตริย์เหมือนกันอยากจะมาทําลายกษัตริย์คนเก่าเพื่อตอนเองจะได้เป็นกษัตริย์คนใหม่นี่คือสถานภาพของสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมอยู่ตลอดเวลาจะเสื่อมเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ถ้าผู้ที่อยู่ในสถ า, านภาพสูงๆไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเสื่อมที่จะตามมาก็อาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้จะต้องทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะพระพเจ้าทรงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าความสุขทางโลก ทางราบยศสระเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ถ้าเกิดการพัดพาจากกันไปเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราพองค์จึงมีความกล้าหาญที่จะสละทรัพสมบัติของพระราชโอรสไป แล้วมุ่งออกแสวงหาสมบัติที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของพระ อ, องค์ต่อไปก็คือความสุขภายในใจนี้เองความสุขภายในใจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องปฏิบัติทานสิลภาวนาให้มากที่สุดให้ได้เต็มร้อยทานก็ต้องทําอย่างเต็มร้อย ถึงจะออกมารักษาศินได้อย่างเต็มรอยถ้ายังไม่สามารถสละทรัพย์สมบัติเข้ากองเงินทองให้หมดจิตใจก็ยังจะมีความหวงความห่วงกับทรัพย์สมบัติแลนะมีความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติก็จะทำให้รักษาสีลไม่ค่อยสะดวกเพราะเวลาทำมาหากินบางครั้งบางคราวก็ต้องพูดไม่ตรงกับความจริงบางครั้งบางคราวก็ ค้ากำไรเกินควรก็เป็นเหมือนกับเป็นการรักทรัพย์ของผู้ผู้ที่อยากจะรักษาสินให้ได้อย่างบริสุทธิ์จึงจำเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้หมดแล้วก็ออกไปบวชเมื่อบวชแล้วก็จะได้มีโอกาสที่จะรักษาสิลได้อย่างบริสุทธิ์ เพราะไม่ต้องนิ่งนนกับการหาเงินหาทองแล้วปัจจัยสี่มีผู้มีจิตศรัทธาพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะให้อยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปทำบาปไปทำผิดศีลแต่อย่างใดนอกจากมีความโลภมากแล้วยังไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะมาคอยสกัด ก็อาจจะทำให้ผิดศีลได้แต่ถ้าบวชเพราะว่าต้องการที่จะออกมารักษาศีลบวชเพราะว่าไม่ต้องการที่อยากจะมีทรัพสมณัติัข้าวของเงินทองต่างๆไม่อยากจะมีบริษัทมีบริวารก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมทำผิดพระวินยัย ผู้ที่บวชแล้วยังทำผิดพระวินัยอยู่<ม>ก็เพราะว่ายังมีความโลภอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะให้มีลูกศิษย์ลูกหามีบริษัท์บริวา<ม>ก็เลยต้องมีข้าวมีของไว้คอยจกลูกศิษย์ลูกหาถ้าไม่มีเขาก็จะไม่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่คือลูกศิษย์ลูกหาที่แสวงหาผลประโยชน์ แต่ลูกศิลป์ลูกหาที่แท้จริงของศาสนาพุทธนี้เข้าหาพระหาคูบาจารย์เพื่อศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าหาเพื่อหวังลาบสการะจากครูบาจารย์เข้าหาเพื่อที่จะได้ศึกษาธรรมะแล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติต่ตอไปการเป็นลูกศิลป์ลูกหาจังมีสองแบบลูกศิลป์ลูกหาเพื่อธรรมะ และลูกสิษลูกหาเพื่อเข้าของเงินทองต่างๆอันนี้ใครเป็นลูกศิษย์แบบไหนก็ควรที่จะพิจารณาดูใครเป็นอาจารย์เป็นพระแบบไหนก็ควรจะพิจารณาดูก <c oughs> ารสงเคราะห์กันนี้สงเคราะห์กันได้แต่สิ่งที่เราจะสงเคราะห์นั้นควรจะเป็นสิ่งที่มาด้วยความถูกต้องสามีจิกรรมคือ ไม่ได้มาด้วยความโลภอยากได้ไม่ได้มาด้วยความแก่งแย่งชิงดีจากผู้อื่นมาเพราะมีจิตศรัทธาสวะถวายมาให้แล้วไม่รู้จะทําอะไรเก็บไว้ก็ไม่มีที่เก็บอย่างนี้ก็เอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นได้จะสงเคราะห์ใครก็ได้สงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้เพราะลูกศิษย์ลูกหาก็ทําคุณทําประโยชน์ การที่จะตอบแทนบุญคุณต่อการนี้ก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรถ้าเรามีของเหลือใช้แต่อย่าไปโลภอยากได้ของต่างๆมาเพื่อที่จะเอามาสงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้จะเป็นการเดินถอยหลังเพราะการบวชนี้บวชเพื่อตัดความโลภไม่ได้บวชเพื่อเพิ่มความโลภนี่ก็คือเรื่องของ การทำบุญสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้หมดไปเมื่อสละแบบเพื่อไม่อยากได้แล้วเวลามาบวชนี้จะมักน้อยสันโดษจะไม่อยากได้อะไรมากกว่าที่จำเป็นต่อการคลองชีพคือไม่คือปัจจัยสี่อาหารบิณฑบาตจีวรที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก็จะยินดีตามมีตามเกิด ตามฐานะเมื่อบวชใหม่เป็นพระผู้น้อยย่อมต้องมีของน้อยกว่าผู้ที่บวชมานานแล้ ว, ลว<ๆ>ก็ไม่รู้สึกอึดอัดหรื อ, ห ร, อหรือน้อยเนื้อต่ำใจแต่อย่างใดกับยินดีกับดีใจที่จะได้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความอยากเพราะการมาบวชนี้ก็มาบวชเพื่อมาตับความโลภความอยากนั่นเองอ ดังนั้นผู้ที่จะผู้ที่จะรักษาศีลและปฏิบัติธรรมจเจริญจิตตภาวนาได้จิตใจต้องไม่โลภ ก, กับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีไว้เพียงเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพถ้าอย่างนี้แล้วจะรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์เมื่อจิตใจมีศีลที่บริสุทธิ์จิตใจก็จะมีความสงบ มากกว่าผู้ที่มีศีลที่ไม่บริสุทธิ์เวลาศีลขาดนี่ใจจะอึดอัดใจจะวิตกกังวลใจจะไม่สบายเวลาภาวนาทำใจให้สงบบางทีก็ภาวนาไม่ได้เพราะใจมัวไปกังวลกับเรื่องของศีลที่ได้ทำทาขาดไปพระภิกษุจึงมากต้องแสดงอาบัติอยู่เรื่อยๆการแสดงอาบัตินี้ก็เพื่อเป็นการ ตัดความกังวลเช่นถ้าทำผิดศีลข้อไหนพระก็ต้องไปแสดงอาบัติคือไปแจ้งไปประจานตนเองให้แก่พระรูปอื่นให้ทราบว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดศีลข้อนี้แล้วข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกจะพยายามไม่ทำต่อไปจะพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถ้าทำแล้วแล้วกลับไปทาอีกแล้วก็มาโปรงอาบัติอีก จนถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการปลอมบัติเป็นการแก้เกี้ยวมากกวา่าทําบาปแล้วทําผิดศีลแล้วก็มาแก้เกี้ยวด้วยการมาปลอมบัติการปลอมบัตินี้เพื่อเป็นการบรรนามประจานตัวเองเพื่อให้เกิดความอับอายขายหน้าต่อการทําผิดศีลผิดธรรมและไม่กล้าที่จะทําอีก แต่ถ้าโปรงอาบัรแล้วก็กลับไปทำซ้ำํากอีกอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีความละอายในใจโปรงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรบวชไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจิตใจไม่สามารถข้ามความโลภความอยากต่างๆได้ไม่สามารถเจริญจิตตภาวนาทำใจให้สงบได้แต่ถ้ารักษาศีลด้รอยสุด เวลาเจริญจิตตรรมนาก็จะเจริญได้อย่างง่ายด้ผู้ที่มีศีลดอนศุนนี้จะไปปรีกวิเวกอยู่ตามสถานที่สงบสงัดที่น่าตัวต่างๆได้แต่ผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธินี้จะไม่กล้าไปเพราะกลัววิบากของการกระทําบาปของตนนั้นจะมาปรากฏนั่นเอง จะไม่จึไม่สามารถที่จะไปเปลีวิเวกถ้าไม่เปลป่ยวิเวกก็จะไม่มีทางที่จะทำจิตใจให้สงบได้เพราะก่อนที่ใจจะสงบได้กายต้องวิเวกก่อนกายวิเวกแล้วจิตถึงวิเวกคำวิเวกก็คือเปล่าเปลี่ยวเดียวดายสงบสงับนั่นเองดังนั้นก่อนที่จะทำใจให้เปล่าเปลี่ยวเดียวดายสงบสงับ ก็ต้องทำกายให้เปล่าเปลี่ยวเดียวดายก่อนก็ต้องไปปิดวิเวกอยู่ตามสถานที่ไม่มีสิ่งต่างๆมาลบกวนใจเช่นแสงสีเสียงต่างๆแต่ถ้ายังเป็นผู้ที่รักษาศีลไม่บริสุทธิ์ยังมีความอยากในแสงสีเสียงต่างๆก็จะไม่ไปอยากไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเมื่อไม่ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัด การภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบ ก, ก็จะไม่เป็นผลเกิดตามมานี่คือเรื่องของการบำเพ็ญตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญต้องบำเพ็ญเป็นขั้นเป็นตอนไปเหมือนเดินขึ้นบันไดก่อนที่จะขึ้นบันไดขั้นที่สองขั้นที่สามได้ก็ต้องย่างขึ้นสู่ขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วก็ขึ้นไปขั้นที่สองขั้นที่สามตามลำดับ ขั้นต้นเราก็ทําทานก่อนทําทานได้มากน้อยเราก็จะรักษาสิ่งได้ตามกำลังทานของเราถ้าเราทําทาน 20% เราก็จะรักษาสิ่งได้ 20% เราก็จะภาวนาได้ 20% ถ้าเราทําทานได้ 100% เราก็จะรักษาศิ่งได้ 100% ภาวนาได้ 100% บรรลุมรรคผลนิพพานได้ 100% ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้หลายในโลกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธธรรมพร ะ, ระสงฆ์นี้มิช่วยเราได้เพียงแต่สอนเราบอกทางให้เรารู้ให้เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรแต่เราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราไม่ได้พระอริยสงสาวุปปฏิบัติให้เราไม่ได้ เราต้องปฏิบัติเองดังที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาปฏิบัติกันในช่วงเข้าพรรษานี้บางท่านก็ปาวานาตัวว่าจะรักษาศีลแปดตลอดพรรษาบางท่านก็ปวานาตัวอธิษฐานจิตว่าจะใส่บาตรทั้งพรรษาถ้าไม่มีบ้านไม่มีพระเดินผ่านมาที่บ้านก็จะเอาเงินที่จะซื้อข้าวของใส่บาตรนี้ เอาใส่ไว้ในกระปุกก่อนพอถึงเวลามาวัดก็จะนำเงินที่ใส่ในกระปุกนี้มาถวายวัดไปก็ถือว่าได้ใส่บาตรทุกวันบางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจ ะ, จะเจริญจิตตะภาวนาอย่างน้อยก็วันละสองครั้งเช้าครั้งเย็นครั้งบางท่านก็ตั้งจิตภาวนาว่า เจตนาที่ฐานว่าจะมาอยู่วัดเลยทั้งพรรษาอยู่ในได้นะอยู่ตามสถานภาพที่สามารถอยู่ได้บางท่านก็บวชเป็นพระภิกษุบางท่านก็บวชเป็นสา ม, มเณรบางท่านก็บวชเป็นแม่ชีบางท่านก็บวชเป็นเนตรขมมะถือศีลแปดแต่ไม่ได้โกนศีรษะนี่คือวิธีทางของการปฏิบัติที่จะ สร้างสมบัติที่แท้จริงให้กับใจสร้างความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายให้กับใจตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและของพอระอรหันตสาวกทั้งหลายดังนั้นในวันเข้าพรรษานี้จึงอยากจะฝากเรื่องของการเพิ่มการปฏิบัติให้มากกว่าปกตินี้ให้ท่านได้นาเอาไปพิพจารณา แล้วแต่สมควรแก่กำลังของศรัทธาและสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขและความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศีรันตนนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบันเทิงกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย